ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากม า, ว, าวิทยาลศีวทุมในวันนี้จะได้บรรยายเรื่องสันเลขสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ เป็นองค์ประกอบหลักของความเป็นพระพุทธศาสนาเพราะว่าหลักธรรมที่พระเจ้าส่งประกาศแสดงเอาไว้ที่เราสรุปรวมเป็นแปดมืนสี่พันธรรมะขันธ์หรือมาสรุปที่ไตรสิขาหรือมาสรุปที่ความไม่ประมาทก็ตามแต่และข้อนี่ เมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะทาหน้าที่ขัดเกลวสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตนให้เจือจางบบาบางลงไปโดยลำดับเพราะลักษณะของธรรมะจึงจำแนกแสดงไว้เป็นสี่ลักษณะใหญ่ๆลักษณะแรกก็คือสวัสาิาธรรม ที่เราสวดสรรเสริญพระธรรมคุณวสวาคาโตประกาตาธรรมโบแปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วพวสวาคาธรรมก็คือเป็นระบบคําสอนที่ทรงแสดงไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่เรากล่าวสรรเสริญเวลาธรรมชาว่า สัทถังสัพยัญชนะเกวระปริบุรณังบริสุทธังพระมจรอยังประกาศเสสิแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระมจริย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสมบูรณ์ด้วยอัฏ ฐ, ฐคือเนื้อหาพยัญชนะคือภาษาที่ใช้สื่อสารเพราะงาั้นหลักคำสอนตรงเนี้ย แต่ด้านที่ไปที่มาก็อาจจะเป็นเรื่องของการปฏิวัติบ้างเป็นเรื่องของการปฏิรูปบ้างเป็นเรื่องผลตรงมาจากการสัตรูบ้างคือหมายความว่าสิ่งที่ ท, ทรงสัตรูเนี่ยส่วนหนึ่งชาวบ้านก็รู้อยู่แล้วส่วนหนึ่งชาวบ้านยังไม่รู้ แต่ว่าส่วนที่รู้ผิดก็ส่งปฏิวัติเสียใหม่ส่งที่รู้ยังไม่สมบูรณ์ก็เอามาปฏิรูปเสียใหม่ส่วนที่ยังไม่รู้ก็เปิดเผยชี้แจงแสดงออกไปส่วนที่เป็นระดับศีลธรรมจัญญาสำรวนพระบาลีเรียกว่าอาทิพรมจันทร์ คือเป็นลำดับขั้นตอนเบื้องต้นของการพัฒนาเข้าสู่ชีวิตที่ประเสริฐก็ประนีขึ้นไปโดยลำดับนะรแล้วก็เรียกว่าเป็นการรับเอาหลักการเหล่านั้นมาสอนต่อเพราะในแง่ของความจริงสี่ห้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้ว พนางสติหมายาประชนนีของพระพุทธเจ้าตอนทรงพระคันเนก็รักษาอุโบสถศีลก่อนด้านนั้นก็ทรงรักษาศีลห้าบันเรื่องราวการรักษาศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถเราก็มีปรากฏในชาดกต่างๆมากมาย แต่ว่าเป็นอาชีพรมจันคือเป็นเบื้องต้นของพัฒนาการทางกายทางวิชาก็นแน่นอนว่ามันก็สืบเนื่องมาจากจิตเป็นคำสอนที่ทรงรับรองแล้วก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงเอาไว้อย่างยกตัวอย่างที่เรานำมาพูดกันบ่อยคําสัตว์เป็นคำไม่ตาย มันเป็นคําสอนโบราณมากพร ะ, ะนนคนในสมัยก่อนเราดูตานานทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าพระเจ้าโอกร ก, กาก ร, ราชหรือพระเจ้าทศรถในเรื่องราวมื่อกียรในโอกระ ก, กาก ร, ราชในตํานานความเป็นมาของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่รักษาความสัตย์ด้วยชีวิตเท่านั้น แต่ว่าในภาคสนามในภาคปฏิบัติคือของรพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องให้คำตอบได้ว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ได้ผลอะไรอันนั้นก็คือคำตอบที่ต้องตอบได้ทุกข้อที่มีนักปราชสมัยใหม่พูดว่ามันมีความเป็นวิทยศาศาสตร์คือพิสูจน์ได้จะรับสั่งว่า คนหมั่นขยันย่อมหาศรัพย์ได้มันก็เป็นการยืนยันได้ทุกยุคทุกสมัยบอกอาบายมุกเป็นทางเสือมัมนก็เสื่อทุกยุคทุกสมัยเหตพิสูจน์ได้มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ความจริงเหล่านี้มันไม่ตายหรอกตัวคำพูดไม่ตาย แต่คนพูดเนี่ยอาจจะตายได้แต่การประยัติธรรมมาในตัวการํากัดว่าผลลองออกมาเป็นสุขอันนี้ผลมันออกมาเป็นเสี่ยงคือเสี่ยงอาจจะเกิดเป็นโอุะภัยขึ้นมาก็ได้พระพุทธเจ้าจึงส่งรับรองไว้ช่วงหนึ่งเพราะถ้าเราอ่านในพระบาลีพุทธวจนะ ปริจะใช้คำสัตย์จังเวอมตาวาจาเอสะธรมโมสนันตโนคำสัตว์แลเป็นคำไม่ตายนี้เป็นของเก่าเรียกว่าสนันตานธรรมแต่ว่าสัจเจอเถจะทำเมจาหุสันโตปฏิทิตาแต่คนฉลาดคนสัตบุรุษ ต้องพูดคำสัตย์ที่เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็เป็นธรรมด้วยคือต้องมีองค์ประกอบหลักสามประการคือหนึ่งต้องเป็นเรื่องจริงสองต้องเป็นธรรมสามต้องเป็นประโยชน์และยังมีองค์ประกอบย่อยผู้ฟังชอบใจหรือไม่ชอบใจดูกาลเทศะดูกลุ่มคนดูบุคคล ตอนในภาคขงการปฏิบัติมันก็ขับเคลื่อนเข้าไปหาหลักของสัพริสธรรมทั้งเจ็ดอย่างที่เราจำทงกันแพ่หลายนะรู้จักเขตรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลหมายความว่าพวกเนี้ยจะขับยับขยับก็ยืดไปเลยทีเดียวครบกันทั้งหมดทั้งเจ็ดข้อแล้วก็รับรองเหตุแล้วก็รับรองผล เราะถ้าตัวเหตุไม่บกพร่องเนี่ยผลจะไม่บกพร่องพราะภาร ก, กิจของเราก็คือการสร้างเหตุให้เป็นไปตามที่ส่งแสดงเอาไว้เพระระบบคำสอนเราเนี่ยเราจึงพบว่าบางทีในข้อเดียวมันเป็นไปได้ยังไงเห็นว่าเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกแน่นอนเป็นบทสรุป ของสมเด็จพระมหาสมณะทรงสรุปเมตตานิสังสสูตรไว้ด้วยข้อความสั้นๆแต่ในเมตตานิสังสสูตรเนี่ยโดยเนื้อหาแล้วก็คือเป็นอย่างนี้หมายความว่าถ้าใจคนมีเมตตาแล้วก็จะอยู่ร่วมกันโดยสันติผลที่ประกันได้เมตตาเป็นธรรมคำจุนโล ฮิโริริโอต ป, ปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นสวัขดธรรมคือเป็นคำสอนที่ท่งแสดงไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ข้อเดียวก็คือข้อเดียวรับประกันแต่ว่าภาคปฏิบัติตัวเหตุต้องอยาบกครองนะบันเวนี่มันมากำลังมองถึงสังคมเรา บอกก็จริงเนี่ยศีลห้าข้อแรกเนี่นะเราสอบกันไม่เคยผ่านเวลนี้ถ้าไปในที่ ท, ทั่วไปถ้าเขาไม่จํากัดเรื่องเนี่ยก็จะพยายามเน้นเรื่องศีลข้อเดียวเน้งศีลข้อที่หนึ่งข้อเดียวแต่ว่าแสดงในรูปพัฒนาการทางจิตคือมันขึ้นไปเรื่อยเรยจิตมันสูงขึ้นไปเรื่อย จนมันเป็นเขาเรียกว่าศีนที่ไม่ต้องรักษาคือศีนรักษาเราแทนที่เราจะรักษาศีนเนี่ยเพราศีนมันกลายสภาพเป็นธรรมะเป็นเรือนใจเป็นหลักใจเป็นฐานของใจกลายเป็นโลกธศน์โลกธศน์ที่ผ่องใสชัดเจนสงบเย็นมากเพราะว่าตอนปลายของศีนข้อ น, นี้ตอนปลายสุดเลยนะ ทรงใช้คําว่ามีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายเปิลสามัญชนจริงจิงปฏิบัติยากเพราะว่ามันเป็นกรุณาจิตเพราะงั้นก็อยู่ระดับฮิริโอต ป, ปะอยู่ระดับเมตตากรุณาอยู่ระดับเมตตาพรหมิหารในได้ก่อนหรือแม้เมตตาในสารานิยธรรมเนี่ยแล้วกรุณาก็จะเกิดได้ พอเราไปฏิบัติทั่วไปก็จะเน้นที่เมตตาเนี่ยก่อนเพราะถ้าเมตตาไม่เกิดแล้วย่างอื่นมันเกิดยากทีถ้าเรามองดูสมมติเราตั้งขึ้นมาเป็นวัดก็ดีเป็นบ้านก็ดีเราเป็นวัดวัดหนึ่งนพระภายในวัดเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาได้ไหมทําอะไรทำกันด้วยเมตตาไหมพูดอะไรพูดกันด้วยเมตตาไหมคิดถึงกันด้วยเมตตาไหม เขาก็จริงเนี่ยวัดดูจิตตัวเองเนี่สอบตกกันระเนระ น, นาดเลยนะไม่ใช่เล่นนะพอเราลองดูสังคมพุทธสังคมพุทธจะอ่อนแอในด้านวินิจฉัยในด้านมองมองสิ่งตั้งหลายที่ปรากฏเนี่ยส่วนมากจะมองตัดสินตามที่เห็นแต่ว่าขาดการวิเคราะห์ การการมองถึงองค์ประกอบต่างๆไอ้ น, นี้เหมือนอย่างนี้ไอ้ น, นี่ใครถึงไงอย่างนี้ไอ้ น, นี้ตรงกันข้ามมาตึงนี้อย่างไรกันนีที่มีพี่น้องทางจังหวัดนาราที่หลบเข้าไปในมาเลตะไรร้อยสามสิบคนเนี่ยก็แท้จริงวัานี้มาก็อยู่ที่นาราแต่ว่าเพิ่งมารู้ข่าวมมาถึงบัตรอะ คือเราฟังแล้วในวันแสดงว่ามันต้องมีแกนนาอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถเรียกรอบเอาคนเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่สร้างมาติโลกขึ้นมาเพื่อให้ชาวอิสลามในสูนต่างๆของโลกมีความรู้สึกว่าพี่น้องของตนถูกรังแกทั้งๆที่คนเหล่านั้นเป็นพี่น้องของเรา แต่ว่ามันสร้างให้ความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาจนว่าพัวนักถือศาสนาอิสลามอยู่ไม่ได้แล้วต้องอบประยบแล่ะกระสแสเหล่านี้ที่จริงกระแสเดียวกับครีเซ่แต่ว่าคนคนก็เป็นกระทงหลงทา ง, างนะซึ่งเราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาซ้ำซากวิธีการซ้ำซากเป็นแผนวัสจการ ก็เรียกแผนเจ็บตัวกดเยอะในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยอ่านราชาธิราชที่เจอตั้งสี่ห้าครั้งรามเกี ย, กยรติก็เยอะราภัยมณีก็เยอะเพราะฉะ น, นั้นมันเป็นวิธีการซ้ำซากแล้วก็ใช้เมื่อไหรก็ได้ผลเมือนนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันคนเราขาดการวิเคราะห์ าการพินิษพิจารณามันไม่มีอะไรรุนแรงจนถึงขนาดนั้นนะวันนั้นมาก็นั่งรถเวณนหมดทั้งสามจังหวัดแต่ว่าวันไปกับทางการก็เราก็ไม่ค่อยชอบอึดอัดหน่อยมันเป็นทางการไปหน่อยเราจะไปเพียงรถคันเดียวแต่ว่าเก่งใจคนขับไปอีกก็พยายาม ให้ลองสังเกตให้คนที่นั่งไปในการสังเกตว่าก็คือบ้านเมืองปกติแต่ว่าคนก็พยายามเน้นอัจญากรรมทุกครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันคือนักสือพิมนะก็ตัดสินแล้วก็าตัดสินไปแล้วยังไม่ได้สืบสวนสอบสวนที่ไปที่มาสาเหตุอะไร่าก็ไม่รู้ นั่นคืออะไรก็คือว่าเรามีความรู้สึกอ่อนไหวได้ง่ายแล้วก็ตัดสินอะไรได้มันแข็งทื่อความคิดมันแข็งทื่อกิจกที่จะมองว่าเออนี่มันมันมันมั น, ม, นมันมีหลายมิตินะสิ่งทั้งหลายเนี่ยและโดยเฉพาะคนเนี่ยมันต้องนึกว่า โลกเนี่ยเคยใช้ผู้หญิงเคยใช้เด็กเคยใช้คนแก่ยิ่งผู้หญิงมีคันและใช้ง่ายมาก เ, เป็นเครื่องมือเรียกร้องความสงสารจากสังคมตอนตัวนี้จะจึงจะเป็นทั้งจุดอ่องและจุดแข็งจะขึ้นอยู่กับใครเอาไปใช้ทำอะไรให้เราลองสังเกตว่า ก, กิจกรรมอะไรที่จัดขึ้นเพื่ออ้างเราเนี่ยอ้างคนแก่อ้างเด็กเล็ก อังคนป่วยอ่างคนมีคันอ่างผู้หญิงสังคมจะเกิดความเมนใจแล้วก็จะเข้าช่วยแต่ว่าถ้าใช้ไปในทางสุจริตมันก็ดีแต่ถ้าใช้ในทางไม่ซื่อมันก็มันก็ใช้อ่ะนะมันก็ใช้อย่างนางเบญจกายเห็นไหมฮะ นางเบญจา ก, กายก็ดีนางอะไร อ, อะไรต่างๆมีเยอะเลยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นระบบคําสอนที่ที่มีอยู่แล้วคือสวัสดิธรรมเนี่ยตรงเนี้ย จ, จริงๆมันมีเรื่องเยอะในชาดกชาดกอะไรนะคือพอเกิดเรื่องปรับในิจใจมันไปปุ๊บเลยมันมีตัวอย่างเราเห็นอลไรเรานื้อได้เลยอันนี้เหมือนตรงเนี้ยกล้ายคลึงตรงนี้ต ร, นนตรงนั้นข้ามกับตรงนี้ นี่ตัวอย่างในนี้ข้อต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสันเลขะตัวเนี้ยคือสันเลขาคือ ข, ขัดเกลาตัวอย่างที่พูดอยู่บ่อยๆว่ากุศลธรรมเนี่ยเหมือนกับความเย็นนะมันเขาเกิดปั๊บมาเนี่ยเขาแสดงสถานะเขาทันชีหรือเขาเย็นให้ดูเลยแต่อย่าลืมว่าความร้อนถูกกระจัดไปด้วยในขณะนั้น บริการในความร้อนถูกจัดไปเนี่ยความเย็นมันทำหน้าที่เป็นสันเลขาคือขัดเกลาเราเปิดสวิตไฟปั๊บเนี่ยเราเห็นแสงสว่างปุ๊บเนี่ยความมืดมันหายไปก็แสดงความมืดมันถูกสันเลขะคือขัดเกลาไปเพราะความเย็นแห่งความสว่างแสงสว่างแล้วทำธรรมะเวลาเขาเกิดก็จะเกิดอย่างเนี้ยแต่ทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ไม่มองว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ เมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดในขณะนั้นน่ยสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับมันไม่ใช่มองเฉพาะว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดแต่ที่จริงมันมีตรงนะครับไอ้สิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นดับแล้วสิ่งอื่นมันจะลดมันจะลดความรุนแรงลงไปเราก็คล้ายๆกับเรามองมองกลาวันกลางคืนเนี่ย คือมันมันมีมืดมีสว่างแล้วก็มีคำมุกคมบัวคือใกล้ร่งได้คำ่ำมันไม่ใช่สว่างอย่างเดียวรวมมือดอย่างเดียวแต่บางจุดเนี่ยมันอากาศคำมุกคำบัวจะว่าสว่างก็ไม่เชิงจะมืดก็ไม่ใช่มันก็มีทั้งตอนเย็นทั้งตอนเช้าแล้วก็มีทุกวันทีนี้พอสิ่งหนึ่งมันเพิ่มเนี่ยสิ่งหนึ่งมันจะลด นะเช่นว่าตอนหัวรุ่งเนี่ยมันก็ใกล้สว่างพอพักเดียวมันสว่างเท้นสว่างขึ้นเป็นสว่างเลยก็แสดงว่าความมืดถูกกระจัดออกไปในวความเป็นสัญลักษณ์มันก็มีอยู่โดยธรรมชาติเหมือนกันกินข้าวถูกอาหารเนี่ยไปสัญลักความผิวคือขัดจัดความผิวขัดเกาวความโย่ไปเรียกว่าขัดเกาก็ได้เคีชามละล้างก็ได้นะคิดว่าซักฟอกก็ได้กีดขัดถูก็ได้ คิดว่าทำล้างก็ได้ก็แล้วแต่แต่จะแล้วแต่จะพูดอ่ะแต่แต่จะพูดใกล้ยๆกับมันมีอย่างประสูตรหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอามะกันทสูตรอามะอามะนี่แปลว่าดิบนะการทะนี่แปลว่ากริน่นแต่ที น, นี้เราพูดพอพูดเรื่องมังสวิรัตเอเราพูดว่ากินดิบมันก็ไม่มีอะกินดิบ เราก็บอกกลิ่นข่าวกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นข่าวเออมันง่ายกว่าเพราะก็พูดถึงกลิ่นที่ไม่ดีเต่การดิบบางอย่างมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันม่วงดิบอย่างเงี้ยมันกินได้แต่ถ้าเราพูดว่ากลิ่นข่าวกลิ่นเหม็นมันก็น่ารังเกียจก็ต้องเข้าใจว่าสาระทัดทในมันคืออะไรเนื้อมันเป็นอะไร เพราะนักบวชสัเลขะจึงเป็นเรื่องปกติเราสัมผัสอยู่ทุกวันเรามีสัลเลขะทุกวันทุกขณะจิตจะชังไปแต่ว่าอะไรขัดเราอะไรก็ไม่รู้คือกุศลกัดเราอากุศลหรืออกุศลกัดเร า, ากุศลก็ไม่รู้เพราะสัลเลขะเนี่ยมันก็ชักเยอะภายในจิตเราเนี่ยมันชักเยอะเกันอยู่ตลอดจิตมันไม่นิ่งไม่ตั้งอยู่ที่กุศลนานๆหรือไม่ตั้งอยู่ที่อกุศลนานๆ มันมีลักษณะค่้ยๆกระยดน้ำที่อยู่บนใบบัวมันไม่นิ่งมันกริ่งไปเรื่อยๆ เ, เวลาพระเจ้าส่งสะท้อนภาวกะกจิตว่าจิตเนี่ยดิ้นรนกวัดแกวงห้ามยากรักษายากมักตกไปในอารมณ์ที่จิตมันคร้มันคล้ยๆกับปลาเนี่ยมันก็ดันกระหาน้ำอีกหนึ่งเป็นนิยานิกะคือนำออกเรียกว่านิยานิกะธรรมนะฮะ สวัสขาตธรรมสันเลขธรรมนิยานิการธรรมแปลว่าธรรมะมเป็นเครื่องนําออกนําออกจากกิเลสนาออกจากทุกข์นาออกจากภัยนออาําออกจากอันตรายนําออกจากโรคนาออกจากสังสารวัตรไปเลยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกุศลธรรมเหล่านี้ตีลืมนะว่าในช่วงในช่วงทั่วไปเนี่ยในช่วงชักเยอะกันอยู่เนี่ยในช่วงที่เราสามบันดีสี่บันไดเนี่ย ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะแบบหัวเต่าโป้ปโโ ป, ป, ปเนี่ยศรัทธาหัวเต่าเนี่ยมันก็คนดีถูกดึงเข้าความชั่วได้คนชั่วก็ดึงขาความดีได้เแล้วมาทำให้บิถีชีวิตที่พระเจ้าทรงจาแนกเนี่ยว่ามืดมามืดไปก็มีมืดมาสว่างไปก็มีสว่างมามืดไปก็มีสว่างมาสว่างไปก็มีนั้นแสดงว่ามันมีการชั ก, กเย่ออยู่ภายในจิต คนก็หกลมหกลุกช่วยเจตีดีเจตหนุนหกลมกลุกกันไปเรื่อยๆตอนแต่เราเข้าใจมนุษย์เนี่ยคืออ น, นี้ยิ่งพอพูดเรื่องปัญหามากๆเราก็พยายามฟั ง, งนะฮะบางทีรายการโทรทัศน์เขากิจกรรมสัมมนาอภิปรายอะไรต่ออะไรมาออกก็อุตส่าห์ฟังเขาเพราะว่าเราก็มีโ อ, อกาสจะไปฟังในสถานที่เลานั้น คือเราฟังแล้วเนี่ยมันคือบางทีเราอาจจะเฟื่องไปหรือเปล่าเพราะถ้าเราจับหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าธรรมะบวงเกิดแต่เหตุพระธถามคตเจ้าสุขแสดงเหตุแสดงธรรมนั้นได้ความรับแ่งธรรมนั้นเหตุเหตุจริงๆมีสองเหตุสมุทัยกับปักมันมีสองเหตุแ่นันเอง พันธะเรามองว่าปัญหาสารพัดในโลกมันไม่ว่าจะสลับซับซ้อนอยังไงก็ตามจริงๆมันมาจากราคะโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นเลยลเราแยกไปเองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาการทหารปัญห า, าความมันโคง โ, โอก็ท่านเรียกงานก็เรียกได้เ ย, เยอะเลยแต่ถ้าเราสาวให้ลึกแล้วมันมาจากอะไรมไม่ว่าจากกิเลส ตอนถ้าพูดกันในหมู่นักที่เข้าใจธรรมะนี่จะง่ายจะเข้าใจง่ายแต่ก็พูดกันนักวิจารท่านก็เฟื่อกมาท่านท่านก็จำกระร่างบางที่ต้องมาเป็นอักขยันน่าเอ็นดูย้อนนี้เราฟังนะักวิจารพูดเราก็นั่งนั่งเอ็นดูเขาเออท่านเป็นอนาณิคมแล้วมันเป็นความคิดอย่างนั้นน่ะท่านไม่มองว่า พระพุทธเจ้นานะสัพพัญญุตญาณนะฮะจัดระบบการศรึกษาต้องไปลอกเรียนไอเดีย ว, ว, ว่าอย่างไงไอคนนั้นว่อย่างไงคนนี้ว่าย่งไงเลยปฏิรูปการศราึกษาไม่เสร็จสักทีเพลเพลบางแห่งก็เป็นปฏิกูณแล้วเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยเสนอให้โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคันเนี่ยพักเรียนเพื่อจะคลอดลูกแล้วค่อยมาเรียนใหม่ดูการเสนอสิ เนี่ยผลจากการศึกษาเรี่ยงจับทางไม่เจอว่าปัญหามันมาจากสมุทยคือหาที่ตัวสมุทยดยิแล้วก็ดึงออกจากตรงนี้มันไม่ต้องไปยุ่งตรงอื่นแล้วมันจากงูที่หัวมันก็ดึงหมดมาทั้งตัวนั่นแหละ้เหมือนกองทัพทั้งกองทัพเนี่ยแม่ทัพตายมันก็จบมันก็เหมือนกันเนี่ย สงครามยูตแตถีเนี่ยเป็นตัวอย่า ง, างให้เห็นอันนั้นแหะคือเหมือนกับงูทั้งฝูงอ่ะก็พอประม่ออ า, าุปราชาขาดตะภายแล้งกองทัพก็แตกเลยมันสูบเนื่องมาจากส่วนหัวปัญหาหัวมันได้เจอแล้วก็นำออกจากตรงนั้นได้จะไม่รู้สึกรุงรงัง จะไม่รู้สึกลุงรังหรอกอย่างอื่นมันกิ่งก้านสาขามันทีนี้ตัวผลเนี่ยผลก็ธรรมะไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องออกมาเป็นสันติเป็นสันติภาพเป็นตัวธรรมะเป็นสันติธรรมนะฮะแต่ว่าสังคมจะเป็นสันติภาพแล้วก็เป็นสันติสุขสุขมันเป็นผลที่เสวยเป็นนิโรธ ในอริยมรรคเนี er ่ยมัน <ii> ก <Lydia> ็เป็นนิโรธสันติธรรมมันเป็นมรรคสันติธรรมเป็นมรรคกษัตรเพราะฉะนั้นผมมันออกมาเป็นนิโรธแต่ถ้าเราเราคิดในวิธีพุทธแล้วมันไม่รุงรังไงนะแต่เราเป็นพุทธเราอะไรล่ะเขาเรียกว่ามีตาปูมีตาปูนะฮะแต่ว่าใช้เชือกมัดเอา เรียนความดีบางเยอะแตโดยใช้ความไม่ดีแล้วก็เป็นอนานาญิคมต่อความคิดเป็นอนานาญิคมตาอความคิดอีกสุดยอดของอานาญิคมคืออานิค ม, คออคมทางจิตวิญญาณมันปล่อยไม่ไปอะฮะมันปล่อยไม่ไปอะไรก็ต้องถามฝระลังต้องอ้างฝระลังด้วยคือพระลังมันเป็นต้นแบบใตยที่ไหนมันมีสันติที่ไหน มีตัวรบราคาควันคิดระเบิดปรมาณูมาฆ่าคนแั้วก็คิดอะไรเร่องสันติะแต่ถามมาปฏิบัติยังไงมันไม่มีตัวอย่างแลรวเราจะเหไอ้สันเหลขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็นําไปสู่ว่าสมุไทยมันลดลดลดลดลงไปทุกมันก็ลดลดลดลงไปนะธรรมาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็สุกมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เป็นสันติในระดับต่างๆ สันติระดับศีลก็บุญแล้วนะก็อย่างภาคได้เนะี่ยสันติระดับศีลก็ได้แนละ้วสันติระดับศีลปาณาทิปาตาเนี่ยยอมรับนับถือกันนะยอมรับนับถือสถานะกันแล้วมันก็เกิดเป็นอยู่ร่วมกันโดยความเป็นมิตรมันก็อยู่กันมาแล้วลนะฮะก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วมันไม่ใช่าเพิ่งอยู่ร่วมกันก็อยู่กันมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีแล้ว การธรรมเทศนาข้อนี้ที่จริงก็คือเป็นอีกปริยายหนึ่งหมายความประมูลสูตรเด่นที่จริงมันเป็นปริยายคือนิยัดหนึ่งนิยัดหนึ่งอย่างเมื่อก่อนที่ขยายความพิสดารของวัตถุ ป, ประมูสูตรมันก็เน้นที่ตัวสมุทัยศาสตร์กับทุกศาสตร์นะเพราะว่าอุปกิรณ์ทั้งสิบหกเนี่ยมันก็คือสมุทัยศาสตร์วันนี้อะไร ถ้าเราเกาะกลุ่มได้ก็เป็นราคะโลภะโทสะโมหะแต่จริงถ้าเกาะสรุปเป็นโลคโกรธหลงดันั้นเองนะเป็นโลภะโทสะโมหะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระพเจ้าสเสด็จประทับที่ปเทศ ต, ตะวันก็เวลาเย็นพระมหาจุมทะเป็นน้องชาย菩萨ริบุตร ยูสัริบุตรอน้องชายตนเก่งประจุนท่าระอุปเสนะเรวตะเนี่ยระดับคือสี่คนพี่น้องเนี่ยเอตาตะตะะหมดเลยนะเป็นพระหานชั้นยอดคือถ้าเราเทียบแล้วก็เทียบกับครอบครัวพระพุทธเจ้าครอบครัวพระพุทธเจ้าพระราหุลเนี่ยเอตตะตะะ พนนเนี่ยเอตะพนันทะนะฮะเอตกะแล้วก็พานางมหมาประชาบดีแล้วก็พระพัฒการจานาคือพานางยโสธราพิมพาะฮะก็เป็นเอตตะตะกะก็สีมกันก็พระหมาจุนทะ บางทีนี่เราเราก็จแสดงว่าพอเรียกว่ามาหาจุนทาเนี่ยแสดงเป็นเหตุการณ์ตอนปลายพระประจุนทตตอนบวชท่านเป็นสามนเณรก็เรียกว่าสมนุทเทศจุนทาสมนุทเทศตอนนั้นท่านเป็นเนรตอนนี้เรียกมาหาแล้วก็แสดงว่าแก่แก็เข้าข่าวหรวพ่อพเจ้าถวายบังคมแล้วก็กราบทูลถามว่า ทิฏิเหล่านี้มีประการต่างๆประกอบด้วยการกล่าวประลบอัตตาอัตตาเนี่ยไม่ใช่ลิศ น, นะฮะประลเรื่องอัตตาอย่างเดียวนี่ก็ยุ่งเลยปวดหัวเลยเช่นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสิระอันนั้ น, ช, น, น, นชีพอันอื่นสิระอันอื่นไอตัวตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวชีพเนี่ย บางครั้งก็หมายถึงอัตตาแตนีต้เราจะเห็นว่าแต่อัตตาที่เรายุ่งยุ่งเนี่ยคือเราเป็นรูปรูปเป็นเราเรามีในรูปรปูมีในเราอัตตายี่สิบเนี่ยสักกายติทิมันก็เป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นปัญหาภูเขาปัญหาเรื่องทิทิเนี่เป็นปัญหาภูเข า, ห า, หเ า, เขาแก้ยากที่สุดเลยแล้วก็ นต ว, วาท่คือ ว, าาวา่าทวตุลว่าตัวตนว่าของตนว่าเป็นตนมันก็ส่วนใหญ่เราจะเรียกตนามมานาทิฏฐินะฮะตนามมานาทิฏฐิเราเห็นว่าพวกตัณหาเนี่ยมันคือของเราของตนคือของตนมานาว่าเราเป็นแล้วก็ทิฏฐิก็คือเป็นตัวตนมีตัวตนให้เป็น แต่ก็จำเป็นจะต้องมีเข้าของต่างๆมาเสริมตัวอัตตามีความรู้สึกว่าตนเป็นเนี่ยทีนี้ท่านก็บอกว่าประกอบด้วยการกล่าวปรารบโลกรีก่เโลกวัทะอัตวาทะกโลกวัทะตรงนี้อย่างก็เรียกอันตรายกาทิปที่สิบ ที่เขาเรียกว่าอพยากตะเมตังภกวตาคือเป็นข้อที่พระเจ้าไม่ส่งพยากรมันเป็นความเห็นที่อย่างรากลึกเะปักดิ่งไปเลยแล้วท่านก็ยึดเลยอิดามีว่าสัจยังโมฆะมันังอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องบ้านเราเยอะนะแม้แต่ในบ้านวงพระเนี่ยวงพระสำนักต่างๆเนี่ยมีอัตวาทะเยอะ นะมีโลกาวาทะก็เยอะมันเป็นปัญหาภูเขาแล้วท่านก็บอกว่าย่อมเกิดขึ้นในโลกเมื่อพิสูจน์มนสิการทำเบื้องต้นเท่านั้นการละทิฐิเหล่านั้นการสลัดทิ้งซึ่งทิฐิเหล่านั้นจกไม่ได้ด้วยบายเหล่านี้พระเจ้าค่ะ พระเจ้าก็รับสั่งว่าทุก่อนจุนท่าทิฏฐิเหล่านี้มีหลายประการประกอบด้วยอัตาวาทะบ้างประกอบด้วยโลกาวัฒะบ้างย่อมเกิดขึ้นในโลกทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ใดก็นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ใดก็มักกระปากใจอ่ะเช่นสมมติว่ า, าจิตเที่ยงอย่างเงี้ยจิตเที่ยงโอยมันก็กลายเป็นพระเจ้ากันมากมา ย, มา ย, มายกาแก่อน เป็นศาสนาศาสนาหนึ่งนะฮะศาสนาต่างๆนี่คนในโลกนี้เยอะได้จิตเที่ยงเนะี่ยแล้วก็ตัวถาวรยั่งยืนก็คือคือตัวที่เรียกว่าพระเจ้าอะ่ะชื่อไม่จะต่างกันนะฮะแต่ตัวเนี้ย จ, จะเที่ยงเลยจะยั่งยืนถาวรดํารงอยู่ชั่วนิรันดรเวลาท่านอธิบายเนะี่ยท่านท่านท่า น, ท, านท่านจะป้องกันการวิพากษ์ไว้ ท่านบอกว่าเป็นอนาชิคือไม่มีเบื้องต้นถามมาจากไหนถามไม่ได้มันเป็นเบื้องต้นของสรรพาสิ่งเพราะฉะนั้นเป็นอนาชิคือไม่มีเบื้องต้นแลือเป็นไรเป็นอนันตะคือไม่มีที่สุดหรือเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่อ่อนยิ่งใหญ่เลยต้องสิงสถิตยอยู่ทุกคนทุกแห่งนะอยู่ทุกแห่งอยู่ทุกอนูเลยแทกซึมอยู่ทุกคนทุกแห่งพราหมณ์ตอนเป็นปรมาตามันก็แนวนั้น นี่คือจิตเดียเทียงมันก็เกิดเป็นอะไรกันด่านคือทิชธิรกชัดคือทิชชิซึ่งแต่ละข้อเนี่ยคือคื อ, ค, อคือสังคมพูดเราเนี่ยก็อย่างหนึ่งคือเราเราไม่ค่อยมีการวิจัยทำไม่ค่อยไม่ค่อยสัมมนามามาอภิปรายมาถูกเฉียงมามาพูดออกมาได้ คุณคิดเห็นยังไงว่ามาันใดแล้วก็เสนอความคิดเห็นอย่าไปชี้ผิดชี้ถูกให้แสดงความคิดเห็นมาแล้วก็หาข้อยุติที่ตามหลักมาประเทศแต่ท่านแสดงเลยครัเราจะจเห็นว่าโดยเนื้อหาเนี่ยมันลงกันหรือเปล่ามไม่จำเป็นไม่จาเป็นว่าจะต้องใช้ภาษาเหมือนกัน แต่ถ้าเนื้อหารลงกันแล้ะก็ใช้ได้วันก่อนเนี่ยดูรายการเขาปาตกถาธรรมนะคือธรรมะทำไมทำไมธรรมะคือผู้ผู้อภิปรายเนี่ยเป็นคนประสบความสาเร็จอย่างสูงแต่ว่าเขาปฏิบัติด้วยดูที่จิตคือศึกษานั่นแหละศึกษาอ่านหนังสือมาก่อนพอเสร็จแล้วก็หยุด แล้วก็มาศึกษาตามศึกษาดูจิตมามาวิเคราะห์ที่จิตท่าก็รูถูกต้องไง น, นะถูกต้องเพราะว่ามันเป็นปริยายในการเทศแต่เอาข้อจริงเนี่ยมันดูที่จิตแต่ว่าคนเราก็มั่งดูที่จิตคนอื่นมันก็ดูจิตตัวเองธรรมะต้องดูที่จิตเรานะดูที่จิตคนอื่นไม่ได้ อยากร we ู heute, gegangen, Remember, course, way, right? dressing, teen, ้วาระจิตของคนอื่นรู้ไปทําอะไรเราทาไว้ไม่ดูวาระจิตของเราอ่ะคิดดีหรือไม่คิดคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีก็อกุศลเกิดเกิดเป็นขณะขณะขณะขณะขณะก็สะสมก็เป็นอสวะทีนี้ถ้ากุศลเกิดเราก็รักษากุศลเด้มเกิดเกิดเกิดก็สะสมสะสมก็เป็นบารมี ผลจิตยินดีในบาปหรือจิตยินดีในบุญเนี่ยเราจะเห็นว่าอาริยมรรคเขีนไหมขับเคลื่อนโดยสมาทิฏฐิก็สมาทิฏฐิคือที่จิตมีปัญญาปรุงจิตกำกับจิตแล้วก็แล้วแต่เจออะไร ธมาริติมันเป็นหลักใจเป็นเรือนใจมันก็สลายได้นะมันมันเจอภาพรวมมันก็สลายได้เพรพลังของปัญญาเขาบาสานแต่ว่าก็ต้องอย่างน้อยต้องขึ้นไปโน้น น, นะะต้องขึ้นไประดับก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปันนะคือสมบูรณ์ในทิฏฐิความเห็นและรัสสังว่ามันเกิดขึ้นในลมใด ย่อมเนื่องอยู่ในอารมณ์ใดแล้วฟุ้งขึ้นในอารมณ์ใดสมมติสมมติว่าความเห็นว่ารูปนี้สวยรูปนี้สวยนีที่จริงเป็นเป็นวิปลาสนะแต่ทีนี้มันก็อยู่ระดับใดล่ะถ้าระดับเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสคือจำคลาดเพื่อน อันนี้พอพูดก็ง่ายหน่อยทีนี้บางทีมันชิดเครียดก็ได้จิตตวิ ป, ปลาส น, นีแก่ยากหน่อยก็ยังไม่เคยล่าเรื่องนางสิริมาเห็นไฮะท่สุข ก, กําหนดว่านางสิริมานี่สวยมากเลยขนาดป่วยนะฮะโมกเงินมาตักบาทเดี๋ยป่วยเลยยังยังสวยเลยท่านปักใจจนกลายเป็นกามุ ป, ปาทานนะยึดถือด้วยอํานาจความใครง แล้วก็เป็นที่ถูกปาฏฐานเกิยึดถือความเห็นว่ารูปมันสวยสวยจนเกิดเป็นสร้างกา ม, มุปาฏฐานคืออยากได้อยากยึดเลยอยากและยึดเล ย, ย, เลยทั้งอยากทั้งยึด ก, ก็เป็นทั้งกามเป็นทั้งทิฏฐิเข้าปลาไม่กินกาวรุุ่รทระเจ้าั้งแก้ได้เนตงปล่อยให้ศพนางสิริมาไม่ได้รับการชาวภราทกิจตั้งหลายวันนะ ปล่อยศพเปื่อยหน้าเอาไปก่อนแล้วจึงเอามาสอนพระรุกนี้ได้เห็นไหมว่าพอท่านเห็นจากนั้นแล้วถ้ามันนอนเนื่องอย่างนั้นเร็วฟุ้งขึ้นในอารมณ์ใดมันนอนเรื่องอยู่ในอารมณ์ใดเกิดขึ้นในอารมณ์ใดก็นอนเรื่องอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วฟุ้งขึ้นจากอารมณ์หลนั้น อาจะเหมือนกันอาจจะคล้ายคลึงกันอาจจะตรงกันข้ามกันแล้วแต่เพราะนั้นภิกษุเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาณชอบอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นการใช้อายตนะเป็นการใช้อายตนะเป็นหลักเราเตะด้วยปัญญาณชอบคือไอ้ทิฏฐิตัวนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเกี่ความเห็นผิด ปัญญาเห็นชอบเกิดที่ั้นก็เกิดที่ตัวความเห็นผิดน่แะมันก็ดับความเห็นผิดเดอมันก็กลายเป็นความเห็นชอบแต่ในที่นี้ทรงใช้ก่าวว่าสั ม, มปัญญาคือปัญญาที่เห็นชอบาลเห็นชอบมันจะไปสลายมันไปไปสลายความรู้สึกที่ว่าอะไรกี้เนี่ยว่ามีตัวตน แล้วก็เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วก็อันนั้นเป็นของเราเรกตำหามานะทิธิเอตังมะมะนั่นเป็นของเรามันไม่มีอะไรเป็นของเรานะั่นเป็นเราเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรนะอย่างช่วงตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีข่าวที่เกี่ยวกับสัมมนาสักอะไรต่ออะไรเป็นหรือไม่เป็นมันก็คือไม่ได้เป็นฮะ เราอย่าลืมว่าสมรสักเนี่ยเรามาจากไม่เป็นเหมือนกับเราเกิดเนี่ยเรามาจากไม่เกิดพอ เ, เสร็จแล้วเราก็ต้องตายเราก็ต้องตายนะครับเรามาจากไม่มีและจะกลับไปสู่ไม่มีเพราะการเป็นสมมติเเนี้ยมาเป็นมาถึงชั้นเทพแล้วสมมติจะเป็นต่อเป็นอะไรเป็นก็คือบัหลังก็ไม่ได้เป็นก็คือตาย ถามว่าถ้าไม่เป็นจะตายมันก็ตายเป็นก็ตายมันก็ตายเพราะ้นเป็นไม่เป็นก็คือไม่ได้เป็นทีนี้ถ้าเราเข้าใจนะเข้าใจตามความเป็นจริงไอนี่มันเป็นสิ่งที่ตกอยู่ในกฎใจยลักคือถ้าเราเป็นแล้วก็ทำงานตามสถานะที่ได้เป็นพระศาสนากได้ประโยชน์จากความเป็น แต่ถ้าเป็นไม่เป็นเนี่ยกิเลสเกิดเยอะนะสมรรษากันีไม่จะเล่นนะถ้าเกิดมานณะว่าเราเป็นเราเป็นเจ้คุณเราเป็นชั้นเทพอางคารมันเกิดมามังการมันเกิดเอยเถื่องไม่ใช่เล่นนะแล้วถ้าเป็นตัสูงกไปแล้ ว, วรมัดระวังไม่ดีไม่ได้หรอกเพราะนั่นเอ่อบาลีเนี่ยบาลีวยากรณ์เนี่ยตอนเรียน บ, าบา ย, ยนบาหลีมาเนี่ยสมเด็จรามนาท่านให้ตัวอย่าง ย่สูรถานามัชฉยะได้ยุติแล้วอย่าเมานะเพราะว่าพวกหมาปะเรียนส่วนมากก็จะได้สมณศักดิ์ถ้าก็อยู่ต่ออย่าเมานะเพราะจริงๆมันไม่มีจริงมันเป็นสมมุติบัญญัติเป็นราชสักการะที่พระมหากษัตริย์บูชาความดีของท่านเหล่านั้นแล้วก็ทําดีต่อยิ่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันแต่ถึงจะเดินก็ต้องรู้ไว้ว่ามันไม่เที่ยงเพรา ะ, ะถ้ามันมาเกิดตรงนี้ได้เนี่ย และทิฏเหล่านั้นก็สลัดออกไปได้ในนี้ก็เป็นข้อความที่รับสั่งโดยสรุปก่อนนะฮะได้รับสั่งโดยสรุปเอาไว้ว่าปัญหาสําคัญของมันเริ่มต้นว่าเรารเราเห็นผิดรเราเห็นผิดมันก็ผิดตาเป็นแถวเลยผว่าพริกจิตกลายเป็นเห็นชอบปเป็นเห็นชอบความเห็นชอบอตามันเป็นแถวเลยเห็นผิดกิเลสมันเกิดตามมาเพราะมันพวกเดียวกันปเป็นชอบธรรมะมันเกิดตาหมามันเป็นสูตรอย่างเงี้ยเป็นกระบวนการ ของจิตหรือเป็นกระบวนการของธรรมะัง้งฝังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไพบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยท่วกันสวัสดี